แอบนมัสการค่ะก็ติ่นเต้นนิดหน่อยคือโยมปฏิบัติธรรมอยู่ที่ฟินแลนด์โดยปฏิบัติด้วยตัวเองนะคะแต่ก็ไม่ทราบว่าทางที่ถูกต้องคืออะไรเพราะว่าไม่มีอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ว่าเป็น หลักยึดที่แน่นอนเพราะาทางโน้นหาพร ะ, ะยากมากาาแล้วโยมก็เข้าไปเซิร์ชในเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ก็ฟังหลายๆองค์อันนี้ก็เอาเป็นตามีตามเกิดค่ะขอแม่ตาแนะนำด้วยค่ะว่าควรจะยึดหลักไหนก็หลักคำพระาศาสดาเนี่ยพุทธวจนะเยอะว่ า, า, ออวาพระาศาสดาเป็นผู้เลิศที่สุดในการบอกสอนเป็นครูที่เก่งที่สุดในโลก นะการกําหนดบทพันธสัญญนะก็เลิศที่สุดเราไม่เรียนกับคนที่เก่งที่สุดแล้วจะเรียนกับใครใช่ไหมแม้แต่พระยังต้องเรียนกับพระพุทธเจ้าใช่ไหม อ, อย่างนั้นะเราก็เรียนตรงกับพระาศาสดาเลยอุบาโกอุบาสิกาเทวดาทั้งหลายเขาก็ยิ่งตรงกับพระพุทธเจ้านะเข้าไปถามธรรมะพระาศาสดาแล้วหลังพระเจ้าปรรศินิพันธ์ท่านก็บอกว่าเอาคําของท่านเนี่ยที่จัดไว้ดีแล้วเป็นาศาสดาแทนต่อไป เราจะเข้าไปหาศาสดาก็คือเข้าไปหาธรรมะที่พระองค์ได้พูดเอาไว้นั่นเองตรงๆง่ายๆแล้วในวิธีการปฏิบัติในการวางจิตหรือว่าการปฏิบัติกระทางจิตนี้เราควรจะวางยังไงมองยังไงพระองค์ให้เอาจิตวางไว้ที่กายพระศาสดาสันสซิล ก, ก, กายยคตาสติพระองค์บอกพ่สุททั้งหลายชนเหล่าใดบริโภคกายยคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะ ถ้าโยมเอาจิตเนี่ยตั้งอยู่กับกายโยมกำลังได้อมตะคือความไม่ตายนะครูบอกว่ากายยัคตาสติอันชนเราใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมถ้าโยมลืมเอาจิตตั้งอยู่กับกายโยมก็กำลังลืมอมตะหรือรนะิพพานเะนะี่ยหลักการง่ายๆเลยนั้นจำคีย์เวิร์ดสั้นๆของผรูเจ้าไว้เนี่ยนะแล้วจิตนด้มีที่ตั้งจุดไหนจุดหนึ่งในร่างกายของเราไหมคะ <ใ>หรือว่าเขาเจะวิ่งคลื่นไม่มีก็คืออาศัยรูปตั้งอยู่ในรูปนะูปก็ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอย่างนี้ครนะูเจ้าก็ให้ตั้งจิตอยู่กายก็จะมีอะไรอานาปาก็ได้รูล้ลมหายใจนะขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะก็ชื่อว่าเป็นกายยกตาสติรู้ตามการเคลื่อนไหวรีบทก็ได้ <c oughs> ยืนรู้ว่ายืนเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งก็ได้นะ่ะนอนรู้ว่านอนรู้การทํางานที่ทําในปัจจุบันยมกวาดบ้านเนี่ยตั้งใจกวาดบ้านรู้ ก, กวาดบ้านนะ่ะขับรถรู้ขับรถตั้งใจทําตรงนี้เราทํางานอะไรอยู่นะตอนนั้นเนี่ยเราตั้งใจทํางานนั้นๆเนี่ยลัทศาสดา บ, บอกว่าก็เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะยมนั่งสมาธิเข้าฌานหนึ่งสองสามสี่ผู้เจ้าก็บอกว่า นี้ก็เป็นกายยขตาสติ <c oughs> ชั้นหนึ่ก็คือเช่นอย่างชาั้นหนึ่งก็คือยมละอกุศลได้พระเจ้าบอกว่าภิกษุสงัดจากการมและอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารณ์มีปิติลสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลวอยู่โยมหาที่วิเวกคนไม้เรือนว่างห้องว่างๆนั่งเงียบๆอยู่วิเวกผู้เดียวแล้วพลอยละอกุศลออกจากจิตรู้ลมหายใจเข้าออก กนะ็จะได้ปฐมฌานละอย่างนี้นะแล้วโยมเกิดสภาวะในบางครั้งในกรณีเช่นว่าเอาเป็นง่า ย, ายๆเช่นเมื่อคืนนี้มีอาการที่ว่านอนหลับแต่รู้ว่าจิตไม่หลับคือหลับเหมือนไม่หลับแต่ตื่นชามา ก, ก็สติชื่นธรรมดามีอาการเบากายเบาจิตเหมือนกับว่ามี ถ, ถ้าพูดทว <c oughs> ดไปยืมมาตามคอมก็เป็นผู้รู้ออกมาดูว่ากายกับจิตทำงานอยู่ <c oughs> อันนี้คือสภาวะอะไรคะจริงๆแล้วการนอนหลับพระาศาสดาให้ปล่อยให้นอนไม่ไมใช่ให้ตื่นนะเพราะว่าการมีสติเวลานอนหลับเนี่ยพระาศาสดาบอกว่าเมื่อเธอต้องการนอนเนี่ยก็นอนได้ตั้งจิตว่าจิตเราจะไม่ไหลไปกับอกุศลทั้งปวงแล้วน้อมจิตไปเพื่อการหลับ <c oughs> ปล่อยให้หลับแต่ก่อนหลับเนี่ยให้ตั้งใจว่าใจเราจะไม่คิดอกุศล <c oughs> อกุศลก็จะมีสามอย่าง <c oughs> การพยาบาทเบียดเบียนนะพระองค์บอกว่าด้วยการทําอย่างเนี้ยชื่อว่าเธอเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการนอนนั้นๆั้นนั้นก็ไม่ไม่จําเป็นจะต้องรู้ตัวไปตลอดเพราะถ้าทําอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะนอนไม่หลับน ะ, ะมันจะตื่นตลอด่นี้ ไม่นใจว่าหลับหรือหรือว่าฝันหรือว่าเพลียแต่รู้ว่ามันจะคล้ายๆฝันแต่ก็รู้ตัวอะไราาทำนองนั้นแต่ไม่ไม่ทราบ่เป็นการเพลียรหรือว่างงสถานที่อะไรกันไม่ไม่เป็นไรนะถ้านอนไม่หลับเราก็ <c oughs> นอนดูลมหายใจไปเลยเอาจิตอยู่กับลมหายใจเรียกว่าอานาปานสตนิพระพุทธเจ้าสันเสริญอานาปานสติ เรียกอนาปานสติอีกอย่างว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตหรือเรียกอย่างว่าอริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลเห็นนะโยมต้องการเป็นอริยบุคคลโยมอยู่กับลมหายใจคิดอะไรไม่ออกนึกถึงลมหายใจไว้ก่อนกราบขอขญิษฐ์ค่ะง่ายนะ ก า, ก, การกษกครับอาจารย์ครั บ, รรบ อ, อ, อย่างกรณีที่สมมติว่าตอนเช้านี่นะฮะเราตื่นปั๊บแต่ก่อนตื่นเนี่ยรู้สึกมันจะมีอดีตสัญญาเข้ามากวนนิดเดงนะครับแล้วก็า พ, พ, พยายามดูเหมือนกันนะครับว่าเออนี่มันเป็นอดีตสัญญาที่มันเป็นทั้งทุกข์เป็นทั้งสุขอะไรอย่างงี้ะยงกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จะเป็นลักษณะของออวิจิตรฉานะฮะหรือว่าเป็นอุทจจะหรือว่าถีนมิถะครับในลักษณะอย่างนี้อาจารย์ คือรู้สึกมันปลูกให้เราตื่นอาจารย์แล้วมันเริงตื่นแล้วมันเป็ น, น, เ, น, นเป็นสัญญานะเราจะเห็นความคิดเห็นความฝันเรามาด้วย<ช>ถ้าเรามีสติเวลาตื่นเนี่ยพอตื่นปั๊บเราจับลมหายใจเลยเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอ้ที่เราฝันอยู่แบบแบบเนี่ยมันคือความคิดเรานี่แหละนะมันจะไหลตามมาด้วยคือคือไม่ไม่ใช่ฝันอาจารย์อยู่อยู่เนี่ยมันเป็นอดีตสัญญามันปลูกเข้ามาเลย มันโผล่ขึ้นมาปั๊บมันก็นึกไปอดีตปั๊บพอรู้ปั๊บเราก็ตัดธรรมดาใช่ล้วก็ตัดทิ้งกั น, นที่นี่กลับกลับเรียนพระอาจารย์ว่าอันนี้ถ้าถ้าเราจะพิยารูจิตนี่นะฮะมันเป็นประเภทไหนเป็นถีนามิธะหรือว่าเป็นอุทธจักรกุกุจจะหรือว่าเป็นวิจิกิจสาครับอาจารย์มันก็อยู่ที่ประเภทของสัญญาไงครับครั บ, รบถ้าสัญญาเป็นเรื่องเรื่องโลกโลกเนี่ยทูต้าก็บอกว่ามันเกี่ยวนื่งด้วยเย่อเรือนก็จะเป็นเรื่องของความฟุ้งซ่านนาฮะ อีกขออีกคำถามหนึ่งก็พราจารสมมุติในในระหว่างที่เราเาจเริญสติปัฏฐานสี่นะครับมามาม า, มาถึงขั้นที่เป็นจิตตาดุปราสนะครับ ว, วิตกวิจารปิติสุขนะฮะแล้วก็เอกกคาตาทีนี้พอวางดูแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งมีคาว่าอุเบกขาเข้ามานนในระหว่างอุเบกขากับเอกกคาตาเนี่ย ม, มันเป็นคือปิติสุขนะฮะแล้วก็เอกกคตาเรียนถามพระอาจารย์ว่าอุเบกขานี่อยู่ตรงไหนฮะ อยู่ตรงระหว่างสุขกับเอกคัตตาหรือว่าหรือว่ า, อ, วาอุเบกขากับเอกคัตตาน่าจะจับรวมกันได้ไหมครับอาจารย์ในลักษณะนีน้อุเบกขามันก็มีตั้งหลายระดับเดิมแค่เราไม่ไม่สุขไม่ทุกเนี่ยเฉยเฉยเนี่ยมันก็เป็นอุเบกขามันมีอุเบกขาตั้งแต่ตากระทบลูกหูกระทบเสียงแล้วเราเฉยเฉยนี่เรียก ว, ว่าอุเบกขาที่อิงอามิตรหรือเนื่องอด้วยเย้าเรียนนะอุเบกขาที่เราปล่อยวางอารมณ์ได้นะอารมณ์อกุศลที่วางไปวางไป ก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาทีละระดับระดับระดับไปเลอยเอกคตาจิตก็จะพูดกันเหมือนพูดกันคนละมุมแค่นั้นนะมันเป็นอารมณ์อันเดียวอารมณ์ที่เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งกับลมหายใจก็เป็นเอกคตาจิตก็ได้ไมาหากุศลเราดับไปมันก็มีละเอียดละเอียดละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆอุเบกขาสุกในฌานสามขึ้นมาเป็นอุเบกขาที่ไม่เจ้วยสุกอีกอย่างนี้ก็เรียกอุเบกขาอีกอย่างนี้ เป็นคำที่คลุมคุมกว้า ง, างให้ให้จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งคล้ายๆกับคำว่าสมถะสมถะก็คือสงบจิตมีอารมณ์อันเดียวสมาธิทั้งหมดก็เรียกว่าสมถะได้หมดเป็นคำกว้าง จะถวายของได้นะหรือจะถามต้องการอ๋อ <laughs> ได้ๆเฉยๆขึ่ <laughs> เกยมาเนาะ ไม่ม right. um, uh, okay. uh, uh, uh, like ัาดูละอ๋ออ๋ออ๋อเออแล้วก็ส่วนตันวก็แต่งตัวท่านไปอธิบายเรื่องคุณธรรมจังนาในรายการที่คุณสังสรรค์ซึ่งมีศิลปินช่างน่ารักติดมือที่ได้ให้พิมพ์โซมพิมพ์โซมเป็นคือสุดนะ รออุ่นกับสาริทิเทพวัน ใช่ใช่ใช่อ่าอ่าจะได้ใช่ใช่ใช่ใช่สนธนาทมกันต่อได้นะฮอ่าจะ <c oughs> ก ร, รับมามรดการค่ะคุณผู้ชมมีสองคำถามคำถามแรกคือคำว่าอุเบกขาแปลว่าอะไรคะอุเบกขาก็เป็นความนิ่งๆเฉยๆ <c oughs> อย่างเหมือนกับว่าไม่ทุกข์ไม่สุขเวลาเหมือนเรามองอะไรแล้วก็ไม่ได้สุขทุกข์อะไรไปกับการเห็น นะหรือการได้ยินได้ฟังฟังเพลงอ่ะนี่ก็เฉยเฉยไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบอะไรอยาง้คำถามที่สองก็คือเมื่อไหร่เมื่อเมื่อไหร่ที่เราอยู่ในที่สงบจิตเราก็จะมีพลังงานมากขึ้นแต่พอเราไปเจอในสภาวะโลกคือ <c oughs> กลับไปบ้านแล้วเจ อ, เ อ, อ, อสภาวะการที่ไม่ถูกใจเราเนี่ย ก็ไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยแปลว่าเรายังจิตไม่เข้มแข็งพ อ, อใช่ไหมครับอ่าใช่ๆชต้องฝึกฝึกให้อยู่กับลมหายใจฝึกเห็นการเกิดการดับมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจในกระบวนการของผัสสะพระเจ้าบอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้มีผัสสะบาังหน้าเรียกผัสสะเปรยโตคือเข้าใจผิดในผัสสะคิดว่าผัสสะเป็นเราเน เวลาตาเห็นรูปแล้วก็คิดว่ารูปเป็นเราลูกตาเป็นเราวิญญาณความรู้แจ้งทางตาเป็นเราอย่างเงี้ยไม่คิดเป็นเราก็เป็นของเราหรือคิดว่าเป็นตัวตนอย่างเงี้ยไม่เห็นสัจจคความจริงคือรูปทั้งหลายเนียไม่เที่ยงลูกตาทั้งหลายก็ไม่เที่ยงครูเจ้าบอกตาเนี่ยไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียอย่างเงี้ยเพราะยังไงเราก็ต้องละใช่ไหม ร้อยปีก็แยกย้ายแล้วก็เลยคล้ายๆผู้เจ้าเนี่ยอธิบายให้เราเห็นความจริง <c oughs> ว่า <c oughs> เราเนี่ยจะได้เข้าใจถึงสัจจะความจริงว่าอจริงๆแล้วธรรมชาติที่เราคลองอยู่เนี่ยมันมันไม่ใช่ของจริงอย่างเนี้ยอ่าก็ให้เข้าไปเห็นสังเกตเรื่อยๆวิธีสังเกตก็คือให้สังเกต ความเสื่อมมันและการเกิดการดับนี่คือเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งการปล่อยวางโยมทำเหตุอย่างเนี้ยตอบย้ำไปเรื่อยๆซ้ำๆไปนาวันหนึ่งโยมก็จะเข้าใจอ๋อเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างเนี้ยอ่ <c oughs> เรื่องเรื่องพบกับชาติเนี่ยถ้าเราทําความเข้าใจได้ได้ดีได้ถูกต้องตามที่พระศาสดาบัญญัติเนี่ยเราจะเข้าเข้าใจธรรมะอีกเยอะมากเลยปเจ้ <c oughs> าบอกว่าอย่างนี้คือพบเนี่ยเปรบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาอันนี้เรียกว่ามีพบ ยมจำไว้ดีๆแล้วก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกับธรรมชาติในจิต <c oughs> จิตเข้าไปรู้อารมณ์ก็คือจิตเข้าไปตั้งอาศัยในผืนนานั่นเองนะให้ทราบนิยามศัพท์ก่อนว่าจิตมโนวิญญาณคือตัวเดียวกัน3มชื่อนะอาสามชื่อจะพูดวิญญาณพูดจิตพูดใจคือเหมือนกันนะ <c oughs> จิตมโนวิญญาณ เปรียบเหมือนเมล็ดพืชพบเปรียบเหมือนผื้นนาเมล็ดพืชตกลงไปในผื้นนาก็ชื่อว่ามีพบมีที่ตั้งอาศัยแล้วมีที่เกิดอพบเป็นสถานที่เกิดเมล็ดพืชงอกขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าชาติาพบกับชาติแยกกันอย่างนี้นั้นพระศาสดาเนี่ยพูดทําให้เราเข้าใจพบกับชาติเนี่ยชัดเจนมากาพื้นนาเป็นพบ การงอกของเมล็ดพืชบนผืนนาเนี่ยเรียกว่าชาตินั้นแยกกันอย่างนี้ท่านี้ไอชาติเนี่ยการงอกขึ้นมาเนี่ย <c oughs> มันมีได้เพราะอะไรผู้เจ้าบอกว่านันธิราคะเพลินและพอใจเพลินพอใจเปรียบเหมือนน้ําน้ําลดเมล็ดพืชทําให้เมล็ดพืชเนี่ยงอกขึ้นมานั่นคืออะไรเวลาจิตโยมเนี่ยรับรู้อารมณ์ จิตยอมไปรับรู้อารมณ์ปับ๊บ <c oughs> อันเนี้ยเรียกว่าอะไรมีพบน ะ, ะหรือมันเข้าไปตั้งอาศัยในผืนนาละอ่าวินาทีแรกที่ยมรับรู้ปับ๊บรู้เรื่องหนึ่งขึ้นมามีพบละแล้วถ้ายมรู้ต่อไปนี่เรียกว่าชาติงอกละอ่าชาติคือการรับรู้ต่อไปที่บอกว่าเปรียบเหมือนน้าคือนันธิราคะนันธิคือเพลินนันธิแปลว่าความเพลิน ยอมรับรู้ปั๊บมีพบยอมเพลินปั๊บนั่นก็คือชาตินะและจะจบด้วยชรามรณะดับยอมรับรู้อารมณ์ใหม่พบรู้ต่อไปเป็นชาติจบด้วยชรามรณะแก่ตายดับนะเนี่ยอาการจิตเป็นอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นนะพบก็สร้างสถานที่เกิดและเป็นชาติก็คือสร้างงอกและสร้างการเกิดนะ <c oughs> แล้วก็จบด้วยชรามรณะ พบชาติชาลาโมนะพบชาติชาลาโมนะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดนี้ร่างกายเรายังไม่ตายมันก็เป็นความคิดเราที่เกิดขึ้นเพลินไปดับคิดเรื่องใหม่เพลินไปดับคิดเรื่องใหม่เพลินไปดับอยู่อย่างนีน้ถ้าร่างกายตายไปในขณะนั้นจิตกําลังคิดเรื่องใดพระเจ้าบอกเนี่ยอัตภาพจะได้ไปตามนั้นเพราะนั่นคือขณะที่เราไปคิดหรือไปนึกไปรู้เรื่องใดก็ตาม นั่นคือวิญญาณขันไปตั้งอาศัยตรงนั้นแล้วจิตโยมไม่ได้อยู่กับกายถ้ากายตายปับ๊บนั่นคือเรากําลังยึดอารมณ์นั้นเป็นหลักแล้วเป็นที่เกิด <c oughs> นั้นถ้าจิตเกาะกับอกุศลปั๊บก็ไปเกิดในอบายก่อ น, นต่อไปพบต่อไปเราก็จะเป็นอบาย <c oughs> ครูเจ้าบอกว่าจิตสุดท้ายเนี่ยมันจะไปเกิดตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพจะได้อัตภาพ มีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีคืออารมณ์นี้เป็นกุศลอกุศลนั่นเองเราจะได้อัตภาพไปตามนั้นนะพระศาสดาจึงบอกว่าพบคือสถานที่เกิดเนี่ยแม้มีประมาณชั่วน้อยชั่วรัดนิ้วมือก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดนะุธจะ้ปะปัสสวะเปื้อนเราแล้วเนี่ยต้องรีบล้างรีบเช็ดออกให้ไวที่สุดการมีพกการมีสถานที่เกิดของวิญญาณขัน แม้ชั่วรัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจนั่นแสดงว่าพูะเจ้าไม่อยากให้เรามีความคิดเลยแม้แต่ขณะเดียวนะพอคิดมาปับ๊บจึงต้องรีบละนันทีคือความเปลิอนทิ้งให้เร็วให้ไหวอย่าให้ไหลาตามอารมณ์ไปนะเพื่อให้ตัดวงจรของจิตการทำงานของจิตสายปฏิจจสุบานนั่นเองที่มันกำลังไหลไปตามเหตุปัจจัยของมันเรารีบรู้ตัวก่อนปับ๊บแล้วดึงกลับมา ที่นี่ที่กายนะพระศาสดาให้เอากายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักถามว่าเวลาจิตกลับมาอยู่ที่กายได้พบไหมได้เหมือนกันแต่ต้องเคลียร์จีระเลื่อนเพราะว่าพบเนี่ยมันมีอยู่สี่ตัวไอ้ผืนนาเนี่ยมันมีอยู่สี่ตัวคือรูปเวทนาสัญญาสังขารจิตจะวนตั้งอาศัยในสี่ธาตุนี้ตลอดเวลาครูเจ้าจึงให้เอาจิตมาอยู่กับรูปก่อน แล้วปล่อยไอ้สตัวที่เหลือนี้นะให้เร็วให้ไวจากนั้นค่อยจัดการไอ้ตัวสุดท้ายนี้นะทีหลังนะตัวสุดท้ายเนี่ยจะจัดการตอนเป็นพระหรหันตอนบรรลุธรรมขั้นสุดท้ายพอวิญญาณขันปล่อยวางตัวนี้ปั๊บก็คือให้ปล่อยวางเลยเพราะเราจะชนานาญการปล่อยวางไอ้สตัวนี้มาตลอดทั้งชีวิตอย่างเงี้ยนั่นคือพอเวทนาสุขทุกข์เกิดขึ้นปั๊บรีบวางสัญญาคิดอดีตปั๊บรีบวาง ปรุงไปในอนาคตปั๊บปีบวาง น, นี่คือหลักการเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มปล่อยปล่อยพบปล่อยขันแต่ละขันได้ที่เราเปราะที่เราเปลาะไปเรื่อยๆ อ, อ, อ, อย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนให้เข้าใจภาพอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> จิตกับขันห้าเป็นอันเดียวกันหรเปลาที่ว่าหนึ่งในแปดสิบเก้ากับจิตในขันห้าเป็นดวงเดียวกันหรือเปล่าครับไอ้จิตแปดสิบเก้าอะไรนี่อัธกถาเขาแต่งขึ้นอยูไม่ใช่พุทธวจนะนะเพราะฉะนั้นคําแต่งขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เราสับสนหมายถึงว่าจิตดวงเดียวครับใช่จิตดวงนึงกับจิตกับขันห้าเนี่ยเป็นจิตดวงเดียวกันหรือเปล่าครับจิตขันห้านะรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหม ค, คำว่าวิญญาณพระเจ้าเรียกได้ว่าจิตกับใจวิญญาณสามชื่อนั่นเพราะนั้นมันคืออันเดียวกันต้องใช้ตั้งแต่นิยามศัพท์เห็นไหมพอนิยามศัพท์เราใช้ไม่ตรงกับพระเจ้าปั๊บเนี่ยไปใช้นิยามศัพท์สาวกมันก็จะงงละอ่าเพราะนั้นพระเจ้าบอกว่าจิตมโนวิญญาณตัวเดียวกันเพราะนั้นวิญญาณมันก็คือหนึ่งในขันห้าเพราะนั้นจิตกับวิญญาณอันเดียวกันนะอันเดียวกันอ่า ที่ต่างๆกัน <c oughs> อ่าฮะอ่าฮะค่าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่หมายถึงอะไรครับค่าแต่พระองค์ผู้เจริญก็คือภิกษุบางกราจะเรียกผู้เจ้าว่าพันเตพันเตแปลว่าท่านผู้เจริญก็คือเขาก็จะใช้สำนวนภาษาไทยว่าค่าแต่พระองค์ผู้เจริญ <c oughs> ผู้เจ้าให้ผู้อ่อนเนี่ยเรียกผู้แก่ว่าพันเตรหรืออายสัมาแปลว่าท่านผู้เจริญ จเจริญกว่าเราด้วยด้วยอายุด้วยพรรษาด้วยการเข้ามาในธรรมวินัยนี้จเจริญกว่าเราด้วยธรรมธรรมวินยัยอย่างเงี้ยพระอาจารย์ครับขออนุญาตต่อเรื่องของเมื่อกี้ที่ก่อนหน้านี้นะครับออือที่บอกว่ากรณีที่มีพบนี่นะฮะ ผ ม, ผมขออนุญาตกลับไปเรื่องของมรณานุสตินะครับ uh huh. สมก่อนที่จะจิตที่จะจุติสุดท้ายแล้วนี่นะครับออพระอาจารย์เคยบอกว่าให้อยู่กะลมหายใจเมื่ออยู่กะลมหายใจแล้วอันนี้ก็แสดงว่าก็ยังมีพบอยู่ถูกไหมครับอ uh huh. ถ้ามีพบนี่ก็ถือว่ายังมีเชื้ออยู่ใช่ไหมครับพระอาจารย์ไม่ใช่การมีพบไม่ได้เป็นเชื้อเสมอไปพระาศาสดาบอกว่ากายนี้เป็นเพียงเครื่องอาศัยละลึกแต่เธอนั้นเนี่ยไม่ได้ยึดในกายแล้ว เพราะนั้นนี่คืออีกมุมหนึ่งการที่เอาจิตมาตั้งอยู่กับกายของแต่ละคนเนี่ยขนาดพระนาคามีปล่อยวางกายได้แล้วก็ยังเอาจิตตั้งอยู่กับกายเพื่อหเห็นการเกิดดับของจิตเพราะฉะนั้นการเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายของอนาคามีเขาไม่ได้ยึดกายแต่อาศัยกายเป็นเพียงเครื่องระลึกอาศัยให้เกิดความรู้ในการเรียนรู้ต่างๆนะพระศ า, าสดาจึงบอกกายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตนะอย่างนี้ ถ้าถ้าอย่างนั้นอย่างกรณีคนที่จะจุดติดสุดท้ายนี่นะฮะที่จะทําการละแล้วนี่นะครับแล้วก็ยังคือระลึกลมหายใจยอยู่ตลอดเวลาเนี่ย อ, อันนี้ก็ยังถือว่ายังมีพบอยู่ถ้ามีพบอยู่เนี่ยโอกาสที่จะไปไปไปผุดไปเกิดอีกเนี่ยจะพบภูมิไหนก็แล้วแต่นี่ก็ยังมีอยู่ถูกไหมครับอาจารย์ไม่มันรอการบรรลุ<ม>คนที่เอาจิตตั้งอยู่กายเนี่ยผู้เจ้าให้เอาจิตตั้งอยู่กับกาย ยมดูสิผู้เจ้าบอกว่าถ้ากายยัตาสติเธอไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าไม่หลงลืมเธอกําลังได้อมตะเพราะนั้นถ้าโยมเอาจิตตั้งอยู่กายจริงๆแสดงว่ายมปล่อยไอ้สาขันธ์ที่เหลือถูกต้องมหมยมปล่อยสามขันธ์ที่เหลือได้ตลอดเวลาจิตยมตั้งมั่นอยู่ตรงนี้ <c oughs> จิตยมมีกําลังมากนะไม่ธรรมดาจากนั้นเนี่ยเมื่อกายแตกทําลายปั๊บเนี่ยวิ ญ, ญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้มันจะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้ เวลากายแตกทำลายปุ๊บยอมจะไปคิดไปคิดไงทั้งชีวิตทิ้งความคิดมาตลอดการเกิดใหม่ก็ไม่มีเพราะอัตภาพใหม่จะสร้างได้เนี่ยจิตต้องไปสร้างนามก่อนแล้วค่อยสร้างรูปต่อมานามยมไม่เกาะเลยสักอันหนึ่งสามตัวเนี่ยการสร้างอัตภาพใหม่ก็มีขึ้นไม่ได้นะแจ้งเลยครับอาจารย์ยงจะได้เทคนิคที่ผู้เจ้าบัญญัต mniej, ิไวเห็นนะ นั้นอาตมามาบอกโยมเนี่ยเป็นพระ ส, สูตรหมดเป็นพุทธวจนะหมดนะนั้นจริงๆแล้วผู้เจ้าเนี่ยตัดไมอยากท่านตัดความจริงเพียงแต่เราเนี่ยตั้งใจไข่ควรไปค่อยๆรู้ตามเนี่ยเราจะกระจ่างหมดนะแล้วในกรณีที่เราเกิดอาการ <c oughs> ว่างๆคือเรารู้อยู่ว่าจิต อ, อ, อยู่ภายในแต่เกิดอาการว่างๆว่างเปล่าของทุกอย่าง นี่คืออาการอะไรคะแล้วเราควรปฏิบัติยังไงต่อไป เ, ออเวลาเกิดอาการว่างๆเนี่ยสิ่งที่ควรทําต่อไปก็คือพระศาสด า, าบอกว่าให้ตามเห็นการเกิดการดับในความว่างในทุกๆระดับเนี่ยจะยังมีการเกิดดับของขันห้าอยูนะ่สมาธิเจ็ระดับแรกขันห้ายังทํางานอยู่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ปฐมฌานถึงอากินจัญญาจตนะยังมีการเกิดดับขันห้าแต่พอขึ้นในวาสัญญาระดับที่8 ขึ้นสัญญาเวทิตตนิโรธระดับที่9ไม่เห็นการเกิดดับต้องใช้วิธีออกจากสมาธิมาแล้วเข้าไปใหม่นั้นโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยสมาธิเนี่ยคนจะได้ระดับอากาสาหรืออารูปสัญญาสมาบัติเนี่ยน้อยมากอยู่แล้วนะนั่นก็คือหลักง่ายๆเวลาจิตนิ่งแล้วให้เห็นการเกิดดับของขันธ์ต่อไป ตามรู้ว่าเขาเกิดหรือดับแล้วบางครั้งถ้าเร า, ามองเห็นว่าถ้าสมมติว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นมากระทบาาถ้าจิตเราไปปรุงแต่งหรือตามมันก็จะการเกิดขึ้นคือถ้าเราไม่ปรุงแต่งมันก็จะดับลงเราดูแค่ตรงนี้ใช่แค่นั้นเองเห็นเกิดเห็นดับมีขึ้นมาก็คือเกิด อ, อะไรมีขึ้นในใจคือจิตรับรู้อะไรขึ้นมาในใจแล้วสิ่งนั้นหายไปอะไรมีขึ้นมาในใจอีกแล้วหายไป และบางกรณีที่มันตั้งอยู่มันไม่ดับงนี้เราต้องช่วยอะไรไหมคะก็หนึ่งแสดงว่าหนึ่งเรายังทิ้งสิ่งนั้นไม่ได้ทิ้งสิ่งนั้นไม่ได้ให้ตามเห็นอารธินวะคือการดับของมันไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับเฝ้าดูให้ดีณเวลานึงมันจะดับปุ๊บให้เราเห็นเราก็จะได้ชัดเจนว่าอ๋อสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับแน่นอนอ่า สนมรดกเจ้าค่ ะ, uh huh. ะการปล่อยวางปล่อยวางการปล่อยวางค่ะ uh huh. ถ้าเกิดมันมีตาเรากระทบรูปหูเรากระทบเสียง uh huh. แล้วเราปล่อยวางเป็น uh huh. เรื่องเดียวกับการไม่ใส่ใจในเหตุการณ์นั้นหรือเปล่าเจ้าค่ะอ๋อการไม่ใส่ใจ <c oughs> ไม่ใส่ใจด้วยความรู้อย่างหนึ่ง <c oughs> ไม่ใส่ใจด้วยความไม่รู้อย่างหนึ่ง ถ้าคนที่ปฏิบัติไปมากแล้วเขาก็ไม่ใส่ใจเหมือนกันเพราะเขารู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรนะกับพวกที่ไม่ใส่ใจโดยที่ยังไม่รู้ว่าอันนั้นเป็นอะไรนะเวลาผัสสะกระทบแล้วยมไม่ใส่ใจอันนี้ก็แบบหนึ่งแต่คนไม่ใส่ใจแบบว่าพระอรหันพระหันจะรู้และผัสสะกระทบมันจะมีองค์ประกอบสามอย่างรูปก็ไม่เที่ยง ลูกตาก็ไม่เที่ยงวิญญาณทางตาก็ไม่เที่ยงไม่รู้จะไปสนใจมันทําไมเสียงก็ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงนะวิญญาณทางหูก็ไม่เที่ยงคิดอนาคตมาพระอรหันต์เห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปอนาคตอาจจะไม่จริงตามนั้นก็ได้ก็เลยไม่ใส่ใจโยนทิ้งไปอย่างนี้นี่คือความไม่ใส่ใจของพระอรหันต์จึงไม่ใส่ใจในอารมณ์ต่างๆปล่อยวางหมดปล่อยวางนะแต่นี้ของปุถุชนเนี่ยไม่ใส่ใจก็อาจจะมี อารมณ์ใดที่เขาใส่ใจมากกว่าเขาก็จะพลิกไปตามไปหาอารมณ์นั้นแล้วเขาจะไม่ใส่ใจกับอารมณ์อื่นนะแต่เขาไม่ได้มีมุมมองอย่างพระอาริยบุคคลอย่างนี้อ่าน้ำวุ้นเหะอ่ามีพะสตุไหมอินซีสังวรหน้าสามสิบเจ็ดค่ะอินซีสังวรหน้าสามสิบเจ็ดอ่าว่ายังไงนั่นแหละ ตัญหาคือเชื้อของการเกิดวัาชะเราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้นสำหรับสัตว์ผู้ที่มีอุปทานไม่ใช่สำหรับสัตว์ผู้ที่ไม่มีอุปทานวัาชะเปรียบเหมือนไฟที่มีเชื้อ ก็ย่อมโล่ขึ้นได้ที่ไม่มีเชื้อก็พล่ขึ้นไม่ได้อุปมาณอุปมาณนี้ฉันใดอุปมายก็ฉันนั้นว่ชาชะเรา ย, ย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้นสำหรับสัตว์ผู้ที่มีอุปทานไม่ใช่สำหรับสัตว์ผู้ที่ไม่มีอุปทานพระอาจารย์คะ ไฟที่ลุกโผล่กับไฟที่ไม่ลุกโผล่คืออะไรคะหมายความว่าอย่งไรไฟที่ลุกโผงไฟที่มีเชื้อย่อมโผล่ขึ้นได้ก็คือการเกิดมันบังเกิดขึ้น <c oughs> เวลาอารมณ์มันเวลาจิตเข้าไปรับรู้อารมณ์อารมณ์ปั๊บแล้วเราเพลินต่อไปเนี่ยเรียกว่ามันลุกโผล่ละนั่นถ้าจะต้องการให้ดับก็คือต้องรีบทิ้ง การลุกโผร่ก็หมายถึงการที่เราเนี่ยอวิชชาเนี่ยถ้ากะอ่ามันก่อตัวไปมีอุปทานในนั้นเนี่ยแล้วก็เพลินกับสิ่งสิ่งนั้นมีอุปทานกับสิ่งสิ่งนั้นนะนี่คือการลุกโผล่เราไหลาตามาลงไปเนี่ยเรียกว่าลุกโผร่ละเวลาเราไหลตามาลงจิตรับรู้ปั๊บแล้วก็ไหลตามไปนี่เรียกว่าลุกโผร่อย่างที่ถ้านําวุ้นไปดูที่ผู้เจ้าบอกว่า เ, เธอต้องคว้างทิ้งต้องไม่ถือเอาต้องทําให้กระจายนะอย่าทําให้เป็นกองนะซึ่งขันหา้าต้องทําให้หมอดนะอย่าทําให้ลุกโผล่ขึ้นมานะอ่าพระเจ้าก็จะหมายถึงว่าเวลาจิตรับรู้อารมณ์ปั๊บเนี่ยนะมันกําลังก่อตัวขึ้นล้มีเชือ้อละถ้าเรารู้ต่อไปเรียกว่ามันลุกโผล่อย่างเงี้ยแบบเพลินหปอะคะเพลินไปใช่ใช่ใชขณะที่เพลินเนี่ยลุกโผล่ละและขณะที่เพลินก็เรียกว่ามีอุปทาน ความยึดความยึดนะเหมือนเราจับเนี่ยขนาดที่พอจิตรับรู้อารมณ์ใช่ไหมปับ๊บแล้วเราเราจะเพลินต่อไปแสดงว่าเราต้องจับถ้าเราไม่จับเนี่ยผ้าเนี่ยจะต้องหล่นใช่ไหมอารมณ์นั้นจะต้องดับถ้าเราไม่จับยึดนั้นขั้นตอนเนี่ยพระเจ้าถ้าเราจําปฏิจจสุบาทได้น้าวุ้นลองดูนะนําวุ้นท่องปฏิจจะได้เนี่ยตัณหาจะเป็นตัวนําไปสู่อารมณ์นะ พอนำไปสู่อารมณ์ปั๊บเนี่ยถึงปั๊บเนี่ยมันจะมีการจับเพรนั้นถ้าอาตมาไม่จับผ้าจะต้องหล่นถูกต้องไหมอ่าเหมือนกันและผ้าเนี่ยจะมีได้เพราะว่าตันหาเป็นตัวนําพามือเข้าไปใช่ไหมอ่าความอยากเอามือเข้าไปเข้าไปปุ๊บจะต้องจับใช่ไหมตันหาเป็นเหตุให้เกิดอุปทานใช่ไหมอ่าพอตันหาปับ๊บอุปทานปั๊บมีผ้าในมือเรียกว่าภพผ้าในมือถือต่อไปเรียกว่าชาติ และจบด้วยชลาหมอนะล่วงอะไรนะอ่าอย่างค่ะอาจารย์คะมีเพื่อน <c oughs> คนหนึ่งอะคะ่ะเขาไม่เขาไม่ยอมทําอะไรเลยะคะ่ะเพื่อนเหรอค่ะอืมไม่ยอมทําอะไรคือ <c oughs> ก็ใครไปบังครับเขาเขารวยวายค่ะเขารวยวายเป็นกรรมของแม่เขาหรือว่าพ่อแม่เค้าหรือว่าเป็นกรรมของเขาโอ้โหทั้งคู่เลยนะ ของเข้าด้วยของแม่ก็ด้วยนั่นแหละเขาไม่เรียนใช่ไหมไม่เรียนเอาอะไรเลยเหรออ๋อเป็นเพื่อนน้าบุ้นเนี่ยนะอยู่ชั้นเรียนเดียวกันเหรอมาตั้งแต่ปหนึ่งแล้วเป็นตั้งแต่ปหนึ่ง้เขาเป็นอะไรอ๋อเดี๋ยวก็หายมั่งนะอ้าวแล้วเขาไม่กินไม่นอนไม่อะไรเหรอกินนอนเหมือนกันแต่เวลาไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยไม่เอา ใ, ใส่นะหน้าเหรอแต่ให้กินกินอยู่เนาะ <laughs> <laughs> แสดงว่ายังไม่อยากตาย <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็หายหรอกนะอืม <laughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ถ้่องสายปฏิจจสมุปบาทได้เนี่ยโยมเราจะเห็นชัดมากเลยนะแล้วเราจะเชื่อมธรรมะต่างๆที่พระเจ้าตรัสไว้ได้ได้ชัดเจนมากอเราจะเห็นเลยที่พระเจ้าอธิบายตรงนั้นตรงนี้เนี่ยก็คืออธิบายเนี่ยการทํางานของจิตเนี่ยวิญญาณขันเข้าไปทํางานอย่างนี้เพียงแต่พูดมุมนั้นมุมนี้พูดเปลี่ยนมุมไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจกับคนที่หลากหลายนะอย่างการที่วิญญาณเข้าไปสู่อารมณ์เนี่ยก็จะเรียกว่า วิ ญ, ญญาณเข้าไปตั้งอาศัยบ้างวิญญาณเข้าไปเกาะเกี่ยวอารมณ์บ้างวิ ญ, ญญาณเข้าไปกินอาหารบ้างอย่างเนี้ยอ่าจะพูดหลายๆมุมขอการพระาอาจารย์อก็ในวิทยาเขาไม่เที่ยงสังการทั้งหลายก็ไม่เที่ยงนะ่ไหมครับล้วตัวไอ้สังสาววัดเนี่ยครับมีบ้างไหมครับที่มัน มีความเป็นความไม่เที่ยงแล้วมันเสื่อมไปเลยก็ทุกตัวมันก็ไม่เที่ยงแล้วมันก็เสื่อมอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันเสื่อมแล้วมันก็กลับมาใหม่หมายถึงเสื่อมแล้วแบบสลายหายสาบศูนย์ไปเลยอย่างเงี้ยอืมไม่ ไ, <ป>ไม่ไม่สาบศูนย์นะเพราะถ้าสาบศูนย์มันก็จะไปเข้าเข้ากับอุดแฉททิฐินี่มุมหนึ่งนะแล้ว <c oughs> ธรรมชาติพวกนี้มันก็ตั้งอยู่ของมันอย่างนั้นมันอาจจะสารบรสนในช่วงการบางครั้งบางคราวเช่นว่าอย่างดวงดาวเนี่ยแตกสลายก็หายไปในอวากาศแต่ถามว่าหายไปแล้วเดี๋ยวมันมารวมใหม่ได้ไหมมันก็รวมใหม่ได้พวกก๊าซต่างๆเข้ามารวมกันเสร็จก็อัดตัวเป็นดวงดาวใหม่นะมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้กลับไปกลับมาจะว่ามันสลายไปก็พักหนึ่งแล้วมันก็มาใหม่อย่างเนี้ย มันดับจ ะ, จะอริชาจะดับไปเมื่อวิชาเกิดขึ้นนะไม่มีผู้โลกได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้ชมื่อความรู้นั้นดับไปวิชาก็กลับขึ้นมาใหม่ก็วนกันอยู่อย่างนั้นนะี่โยงใส่เรื่องจิตสแสวงอาภพนี่พระาอาจารย์ธรรมชาตินี่อทําย่อมไหลไปสุดธรรมนะีะธรรมธรรมชาติาาเดียวกันย่อมไหลไปสุดธรรมธาตเดีกันนะครับทีนี้ <c oughs> จิตเนี่ยจะได้อัตภาพครั้งละหนึ่งครั้งทีนี้มันมีแบบว่าฝาแฝด น, นะครับพระอาจารย์ อ, อแฝดที่ได้อัตภาพเดียวกันเดียวตัวติดกันหรือว่าสัตว์บางชนิดที่มีร่างเดียวมีแต่มีสองตัวมีสองศีษะอะไรอย่างนี้นะครับ อ, ออือออทีนี้โดยนิสัยเขาก็ต่างกันอะเ <c oughs> ช่นบุคคลหนึ่งอาจจะชอบทางศีลธรรมหีืบุคคลหนึ่งอาจชอบกินเหล้าเมายาอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่แฝดสยามนี่นะครับ ก็ในเมื่อ อ, อะไรครับระดับความดีเนี่ยมันก็ต่างกันนะครับทำไมจึงได้มาอัตภาพเดียวกันวิบากกรรมอะไรจึงเป็นผลพบบนั้นพูะเจ้าไม่ยังไม่เคยตัดในเรื่องฝาแฝดไว้เหมือนกันนะที่ที่แบบ <c oughs> ติดกันนะนะมไม่มีไม่มีตัวอย่างในกรณีนี้แต่เขาก็ต่างได้อัตภาพของเขาเพียงแต่ด้าน ด้านกายภาพเขาเนี่ยมันเสียมันดันมาติดกันแต่ต่างคนต่างก็มีมีมจิตของตนเองมีไม่อยากเรียกว่าจิตเรียกว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกอั้นนะอย่างเงี้ยมีผู้หลงของของเขาเองทั้งคู่นะแต่โยงสงสัยคือวิอ บ, บากกรรมของแต่ละบุคคลเนี่ยคือมันก็ต้องได้พบที่ต่างกันใช่ไหมครับ ได้พบที่ต่างกันได้ความฐานะอะไรต่างกันเนี่ย ม, มันมันมีมันมีมันมีความล้ําเหลื่อมกันนะ่ะก็เหมือนกับเอ่อบางทีเราสงสัยว่าเนี่ยเขาได้ไปเป็นเทวดาแล้วทําไมมีเทวดาไม่ดีด้วยเหรอเทวดามิจฉาทิฏฐิก็มีเอย่างเงี้ยเอ๊ก็ทําความดีนี่ต้องได้ไปเป็นเทวดาแต่เทวดาแล้วดีทั้งหมดไหมไม่ทั้งหมดนะมนุษย์ก็ไม่ดีทั้งหมดทั้งๆ้งที่มนุษย์เกิดยากมาก ก็ต้องทําคุณงามความดีกันมาพอสมควรถึงจะได้เป็นมนุษย์แต่มนุษย์ก็ไม่ได้ดีทั้งหมดเหมือนกันอย่างเนี้ย น, นั้นเข้ามาเป็นแฝดก็ได้อัตภาพเป็นมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่ว่าทั้งคู่จะจะดีเหมือนกันก็จะมีความร่ำเหลื่อมกันตรงนี้นะฮะมีสมมติมีบุคคลอยู่สองคนนะอีกคนนี่คือใช้ชีวิตแบบอาจจะไม่เจตนารักษาสินแต่เขาคือก็ไม่ได้ทําล้เมื่อสินห้าใช่ไหมครั อ่ใครคนนี่ก็รักษาสินนามกันแต่อาจจะมีบุคล่องบ้างแต่บุคคลแรกเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าต้องนึกจากทาให้ละเมิดสินแต่บุคคลที่สองนี่อาจจะบุคล่องเช่นอาจจะดื่มสุราบ้างเป็นครั้งอะไรเงี้ยแต่เมื่อเขาเจอเหตุการณ์ที่ต้องที่ต้องทําให้เป็นเหตุให้ละเมิดสินแล้วเขางดเว้นได้เช่นอาจจะไปเก็บของ บุคคลอื่นได้เงี้ย<ม>เขาก็ไม่ไม่เอาเป็นของตนหรืออาจจะมีโอกาสล่วงการเมย์ได้<ม>เขาก็เราเวนเสียเงี้ยอื<ม>อันนี้สองสองสองบุคคลเนี่ยอันไหนจะได้มากกว่ากันอือ<ม>จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยยาในการจําแนกกรรมตรงเนี้ยผู้เจ้าบอกผู้เจ้าจะเป็นคนรู้ผู้เดียวมิคสาราเลย <c oughs> ประเมินผู้เจ้าไงว่าไอ้ผู้เจ้าเนี่ ย, พ ย, อ ย, อยพยากรอย่างเนี้ยพยากรได้ยังไง จะคล้ายๆกับว่าที่มิคษาลาบอกว่าพ่อของตัวเองเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์แต่เพื่อนพ่อของตัวเองเนี่ยไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพียงแค่รักษาศีลท่ายินดีในภรยาของตนนะแต่ผู้เจ้าไปพยากรณ์ว่าเกิดเป็นสกทาคามีบุคคลในชั้นดุสิีเท่ากันนะมิคสาลาก็เลยสงสัยว่าเป็นไปได้ยังไงในเมื่อคนสองคนสร้างเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันแต่ไปได้คติในสัมประรยาภพเหมือนกัน ผูเจ้าจึงบอกอนอน์อนอน์มิขษาลาเป็นใครตถาคตเป็นใครยานในการรู้ความยิ่งละหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลพระตะถาคตเนี่ยเป็นคนที่จําแนกเรื่องพวกนี้ได้เพราะว่ากรรมเนี่ยมันมันละเอียดมากมันเยอะมากยมคิดดูว่าเหตุเกิดของกรรมเนี่ยคือผัสสะความดับของกรรมคือผัสสะตั้งแต่เช้าตื่นมาจนถึงที่ยมนั่งที่ศาลาใครจําผัสสะทุกอันได้บ้าง จำไม่ได้ไม่ไหวตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงนะได้กลิ่นนะั้นโอ้โหจาไม่ไหวผู้เจ้าบอกตถาคตผู้เดียวเท่านั้นที่จะรู้เรื่องนี้ก็เลยบอกพานนท์บอกอานนท์นะ <c oughs> <c oughs> เพราะกระแสแห่งธรรมเนี่ยย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตโอ้โหยากมากนั้นถ้าเรานับตั้งแต่เกิดเลยโอ้โหยิ่งนับไม่ไหวแล้วในสังสารวัฏอีกยาวไกลโอ้โหนะแต่ผู้เจ้าเนี่ยสามารถรู้ได้หมด ตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่าเอ๊ะเข้าไปทํากรรมตรงโน้นมานิดนิดหน่อยหน่อ ย, อ, ยอะไรต่ออะไรหรือเปล่าทําให้มันมีการจําแนกการจําแนกมันเปลี่ยนไปอย่างเนี้ยอ่านั้นอย่างพวกไปสแกนกรรมเนี่ยจะจำไม่ได้เลย อ, อันจะหมดราคาไปเลยถ้าเราทราบพระสูตรนี้นะอ เรียนพระอาจารย์ครับอพอดีไปอ่านตรงเรื่องของสัมภาระวิบากนะครับออตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็ไปเกิดเป็นกระเท ย, <c oughs> อย500อชาตินะครับขราพเจ้าถามว่าในกรณีที่การที่จิตอันนั้นเนี่ยที่จะมาปฏิสนธิมาเกิดเป็นกระเทยนี้นะฮะแสดงว่าตอนตอนที่เขาจุดตีเนี่ยตอนจิตจุดตีนั้นเนี่ยเขาเข า, เขาคิดไปในเรื่องแบบไหนครับพอาจารย์ถึงได้เกิด เกิดมาเป็นกระเทยได้เนี่ยหรือย่างกรณีพระพุทธเจ้านี่นะฮะยังยังไม่เจอที่พระเจ้าอธิบายวิบากตรงนี้เหมือนกันนะแต่มีที่พระเจ้าอธิบายเรื่องการที่หญิงจะเปลี่ยนเป็นชายชายจะเปลี่ยนเป็นหญิงเนี่ยจะต้องทําเหตุปัจจัยอะไรบ้างนะ <c oughs> เช่นว่าอย่างนะสตรีจะต้องละความพอใจในเหมือนว่าตุ้มหูแก้วมณีอะไร น, นะเครื่องประดับของหญิง อากัปกิริยาของหญิงจะต้องวางความพอใจในส่วนของตัวเองแล้วก็ต้องอในฝั่งตรงข้ามด้วยนะนั้นถ้าอย่างในฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะต้องต้องพอใจนะมันถึงจะน้อมไปตรงนั้นแล้วละความต้องการตรงนี้นะในฝั่งของบุรุษก็จะลักษณะเดียวกันพระเจ้าจะพูดกลับไปกลับมาทั้งสองด้านทั้งฝั่งตัวเองทั้งฝั่งคนอื่น ถ้าเรายังเรายังพอใจในอากัปกริยาของบุรุษเสียงของบุรุษหรือว่าลักษณะพับเนี่ยมันก็จะทําให้คงอัตภาพตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือเราเรายึดในฝั่งตรงข้ามในลักษณะพอใจแบบนั้นอย่างนี้แล้วเรายัางละความพอใจในส่วนของฝั่งนี้ไม่ได้เป็นความละเอียดที่ต้องโอ้ฟังอ่านแล้วต้องนั่งนั่งไข้ควรมากนะถ้าทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอัตภาพจะกลับ และจริงๆพวกเราทุกคนก็ก็เคยเกิดเป็นทั้งหญิงทั้งชายมาครบหมดแล้ว <c oughs> นะพุทธเจ้าบอกในสังสารวัตรที่ยาวไกลเนี่ยเธอเคยเกิดเป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายกันมาหมดเคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่นะสัตว์เดรัจฉานต่างๆก็เคยเกิดกันมาแล้วอย่างเนี้ยน <c oughs> ะฮะ การฝึกเรื่องของความเมตตาแล้วก็เร uh ื่องของการให้อภัยว่าเราจะใช้หลักทำอย่างไรที่ทําให้เราเป็นคนที่มีความเมตตากับอภัยมากขึ้นค่ะอ๋อถ้าจะฝึกความเมตตาการให้อภัยเนี่ย <c oughs> จริงๆการการเจริญภาวนาตามมรรควิธีมรรคเมืองแปดเนี่ยมันจะทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะ เพราะว่าเมื่อเราเข้าใจว่าเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเขาก็ไม่ใช่ตัวเขาเนี่ยมันจะให้อภัยกันเองเขาจะมองเราจะมองออกว่า อ, อ๋อเขาก็เป็นผู้หลงเหมือนกันนะมันจะให้อภัยและเมื่อเห็นเขาโกรธเราก็นึกว่าโอ้โหขนาดเรายังห้ามความโกรธเรายากเลยเขาก็กองห้ามเขายากเหมือนกันนะมันจะเหมือนเนี่ยเข้าใจระบบของจิตนะอือเนี่ยหรือจะฝึกจเจริญเมตตาก็ได้อย่างที่พระเจ้า บอกแต่การฝึกเจริญเมตตาก็ยังหลุดพ้นไม่ได้คนนั้นต้องรู้ว่าเมตตาเนี่ยผู้เจ้าบอกอบุคคลนั้นต้องรู้ว่าเมตตานี้ก็เป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งมีการเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาคือเอาอริสสีเข้าไปจับเองเหมือนกันนะอจนาจารย์คเรียนถามนะคะพระเจ้าพระพุทธเจ้าเคยได้ตรัสไปว่าน้ํานะคะทีฉันอ่านว่าน้ํา เต็มที่มีแก้วน้ำในแก้วนิด uh huh. เล็กๆ ก, uh huh. กับน้าในมหาสมุทรเนี่ย <c oughs> พระเจ้าเปรียบใช่ไหมคะว่าคนเราเนี่ยถ้ามีความดี uh huh. ก็เปรียบความดีที่ไม่เท่ากัน uh huh. เปรียบเหมือนน้ำในแก้วเล็กๆ ก, ก, ก, กับ uh huh. น้ำในมหาสมุทรเพราะนั้นเนี่ยจริงไหมคะที่บอกวาอ่าถ้าเกิดคนเราทํากรรมเท่ากันแต่รับกรรมไ ม, ไม่เท่ากันเพราะเมื่อจากว่ามีพื้นฐานความดี ีไม่เท่ากันไหมคะอ๋อเรื่องเรื่องทำกรรมเท่าเท่ากันแต่รับไม่เท่ากันเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันมีกรรมอย่างอื่นเข้ามาด้วยนะในลักษณะของพระสูตรอย่างเมื่อกี้เหมือนกับปริพาชกเขาเข้าไปเห็นคนรักษาสินห้าแล้วไปเกิดในนรกคนผิดสินห้าแล้วไปเกิดในสวรรค์ผู้เจ้าไม่ยอมตอบในเรื่องนี้แผู้เจ้าก็เฉย เฉยเสร็จปริพาชกก็หลีกไปพระนนก็ถามผู้เจ้าว่าพอรับฟังได้ไหมผู้เจ้าบอกพอรับฟังได้เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นใช่ไหมอ่าเนี่ยผู้เจ้าก็ามาอธิบายกับพระอนนลดีกว่าเพราะพระอนลเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วก็ทรงจําได้ไม่พลาดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดผู้เจ้าจึงตัดอานลบุคคลสิบจาพวกมีอยู่ในโลกบางคนเนี่ยรักษาศีลดีนะแต่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยสั่งสมสุตตะไม่เคยแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นคือไม่เคยปฏิบัติภาวนาคนนี้ไปอบ า, ายได้ แต่เรื่องพวกนี้ผู้เจ้าจะไม่พยายามพูดไว้นะเพราะว่าเหตุปัจจัยที่ผิดพลาดแม้เล็กน้อยเนี่ยนะผู้เจ้าไม่เอามาพูดเป็นประเด็นผู้เจ้าก็จะเลือกพูดเหมือนกันไม่งั้นโยมก็จะสับสนตกลงและจะรักษาศีลท่าดีไปนเนี่ยใช่มเพราะนั้นโยมจะไม่เคยได้ยินพระผู้เจ้าบอกว่ารักษาศีลท่าแล้วไปอบายแต่รักษาศีลท่าเนี่ยจะไปสู่สุกติโลกสวรรค์นะอ่าจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์อย่างเนี้ยใช่ไหมแต่มันมีมุมที่ อาจจะหลุดไปซึ่งอาจจะเป็น 0.001 นะแต่ให้ปริภาชกมนันไปเห็น 0.001 นี้พอดีใช่ไหม อ, อย่างเนี้ยท่านก็นไม่ตอบใช่ไหมแต่ก็เลยมาตอบกับพระนนทว่า <c oughs> คนเราเนี่ยทำกรรมมันจําแนกหลายอย่างแล้ววิบาส ข, ของกรรมการให้น้ําหนักพระเจ้าจะเป็นคนรู้พระเจ้าจะเป็นคนวางน้ําหนักไว้ให้ศีลเนี่ยโยมรักษาเป็นร้อยครั้งยังสู้นั่งสมาธิครั้งเดียวไม่ได้ เพราะนั้นคนนี้บกพร่องศีลเราเห็นว่าเอ๊ะเขาบกพร่องศีลแต่เขานั่งสมาธิเรื่อยๆเขาสั่งสมสุตตะเขาแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นไอ้คนนี้เอาตัวรอดได้อาจจะบรรลุธรรมก็ได้เหมือนองคุลิมาหนะ่ะฆาคนมาเก้อยกว่าคนพลาดแต่เปลียนความเห็นนิดเดียวปุ๊บเป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมอ่าตรงเนี้ยแหละเป็นสิ่งที่ผู้เจ้าเนี่ยรู้แต่เราเนี่ยไม่รู้เพราะเราเนี่ยไม่ได้ไปตามคนคนนั้นทั้งชีวิตว่าเขาทําดีอะไรมาบ้างบางทีเราก็เห็นว่าโอ้ยนี่ โกงกินทำไมมันจเจริญเอาจเจริญเอาแต่บางทีบางมุมเนี่ยเขาทำอย่างอื่นมาแล้วมุมนั้นเนี่ยเขาน้ำหนักการกระทำมันมากกว่ามันเลยส่งผลก่อนเช่นว่าถ้าคนนั้นนั่งสมาธิเรื่อยๆพระเจ้าบอกสมาธิแประดับจะเป็นกรรมที่ส่งผลก่อนนี่เนี่ยเป็นการจําแนกกรรมอีกว่าถ้าเธอทำอะไรแล้วมันจะส่งผลก่อนก็คือการทาสมาธิแประดับ <kę eras> อ่าฮะอ่าฮะกับนมาสการถามว่ า, าสมาธิแบบ ส, สมัทกาวิปัสนานนสามัทานวิปัสนาสามถะเป็นแค่หินทับยา่เาเมื่อเมื่อเราออกมาจากสมาธิแล้วเราก็จะมีกิเลสเหมือนเดิมนนนนแล้วถ้าเรานั่งผิดเป็นเป็นอากุศล ขอให้พระอาจารย์ช่วยกรุณาขยายว่านั่งยังไงจึงเป็นกุศลและเป็นอกุศลและควรจะนั่งสมะถะหรือนั่งวิปัสนาฟังมามากและกำลังสับสนอยู <c oughs> ่วันนี้รับรองเคลียแลนั่นแล้นั่นเป็นอย่างนี้ <c oughs> ไอหินทัพย้าเนี่ยาศาสนาไม่เคยพูดนี่เป็นคำสาวกเขาพูดยมลืมไปได้เลยคำนี้นะ แล้วก็ <c oughs> สมถะวิปัสนาเนี่ยเป็นชื่อแทนมรรคมีวงแปดต้องทำทั้งคู่ยมตัดคำว่ากรรมฐานทิ้งไปได้กรรมฐานผู้เจ้าตรัสไว้เนี่ยแปลว่าฐานะแห่งการงานไม่เคยเอากรรมฐานมาพูดกับคำว่าวิปัสสมถากับวิปัสนาเลยแม้สักครั้งเดียวน ะ, ะตัดไปทีละประเด็นประเด็นนะเพราะนั้น <c oughs> จะมีแค่สองคำที่ผู้เจ้าพูดคือสมถกับวิปัสนา ซึ่งสมถาวิปัสสนาเนี่ยคือมักมีองค์8ปทั้งหมดต้องทำทั้งสองอย่างสมถะใครทำมากจเจริญมากชื่อว่าลาดเอียงโน้มเอียงเทเอียงไปสู่นิพพานนะอ่าเข้าใจสมถะจะมีเก้าระดับสมาธิสมถะแปลว่าคำมันไปวัดสงบเใอ่าใช้ได้กับทุกเรื่องเช่นอธิกรสงบก็เรียกว่าอธิกรณสมถะอ่า จิตมันเคยฟุ้งซ่านวิ่งไปที่โน่นที่นี่แต่พอมันตั้งอยู่กับลมหายใจหรือกายของเราก็เรียกว่ามันมีสมถะคือสงบนะวิปัสสนาคือการเห็นการเกิดการดับเมื่อสงบแล้วเนี่ยจิตมันเกิดดับของมันมันก็ไม่สามารถสงบอยู่อย่างนี้ได้มันก็เปลี่ยนแปลงดับปุ๊บเพราะฉะนั้นโยมอยู่กับลมหายใจมันก็จะดับเดี๋ยวมันก็จะไปรู้อารมณ์ใหม่ถ้าโยมเห็นว่ามันมีดับมีเกิดพั่งเนี่ยวิปัสสนาทันที แค่นั้นเองง่ายๆจิตที่ตั้งอยู่เฉยๆเรียกสมถะเวลาจิตเคลื่อนปั๊บเนี่ยแล้วเราเห็นว่าอ๋อมันมีการเคลื่อนไหววิปัสนาแล้วนั่นคือวิปัสนานยอยู่คาตาเราเลยแต่เราไม่เห็นคนบางคนจึงบอกว่าการรู้ลมหายใจเป็นแค่สมถะไม่ใช่วิปัสนานั่นคือเขาไม่เห็นแต่ศาสดาเราเห็นนะเพราะนั้นพระเจ้าจึงบอกอาณาปานสีเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาทําอย่างเดียวเข้านิพพานได้เลยนะอะ เาใจเป็นอย่างนี้สมถะเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์แต่ก็ติดไม่ได้นะวิธีไม่ติดไม่ให้ติดสมถะไม่ใช่ไม่ทำสมถะเป็นสิ่งที่ต้องทำมากจเจริญมากนะแต่ติดไม่ได้วิธีแก้ติดก็คือให้เธอตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าในสมถะนั้นต่อไปแค่นั้นเองนะนั้นสาวกเราเนี่ย พูดพลัดหลงไปสู่มิจฉาทิฐิพูดไม่ตรงกับพระศาสดาทำให้ไปเหมือนไป discredit สมถะว่าสมถะไม่ดีสมถะระวังนะจะไปติดแล้วไม่ได้พูดวิธีแก้นะพูดแต่ให้ร้ายสมถะจนคนเนี่ยไม่กล้าทำสมถะเพราะนั้นการพูดเรื่องสมถะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากผู้เจ้าจะระวังการพูดเกี่ยวกับสมาธิหรือสมถะมากพูดให้ร้ายก็ไม่ได้พูดชมเกินไปก็ไม่ได้ต้องพูดพอดีจริงๆนะ อย่างนี้ <c oughs> ยังใครได้สมถะได้สมาธิแล้วเนี่ยพระุทธเจ้าบอกว่าเธอยังไม่ได้อยู่ด้วยวิหารธรรมอันเป็นเครื่องขูดเกาณ์นะเธออยู่ด้วยเวลาธรรมอันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขและเครื่องอยู่สงบเท่านั้นอะคนนั้นก็จะรู้ว่าเอออย่างน้อยเราก็ได้อยู่เป็นสุขและอยู่สงบแต่มันยังไม่สุดนะอ่ามันยังไม่ได้ขูดเกากิเลสนะแล้วท่านก็ตัดเรื่องทำเครื่องขูดเกากิเลสเอาไว้เช่นถ้า เห็นใครลิศยาจะหีมายาโออวดดูหมิ่นท่านยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านพวกเนี้ยอันเนี้ยถ้าเราเห็นแล้วเราละเนี่ยเรียกว่าเรากำลังคูดเกากรีลนะหรือว่าขณะที่เราอยู่ในสมถะแล้วเธอนั้นตามเห็นการเกิดดับของขันทั้งห้าหรือขันทั้งสี่ต่อไปนะก็จะสามารถถอนอุปทานได้น้อมจิตไปสู่อมตะธาตุได้เนี่ยเป็นวิธีแก้นะว่าไม่ให้ติดแลวเราก็เข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่ง การส่วนใหญ่ก็คือคิดว่าถ้าคนเนี่ยทำสมาธิมากๆคิดว่าเขาติด <c oughs> หรือนั่งสมาธินา น, านๆคิดว่าติดมุมในการติดสมถะพระศาสดาให้ดูอย่างนี้นะว่าคนที่ได้สมถะแล้วเนี่ยเพลินต่ออัศาธาของสมาธิหรือสมถะนั้นหรือเปล่าถ้าเขาไม่เพลินถึงแม้เขาจะนั่งนานก็ไม่ชื่อว่าติดนะนะคนนึงนั่งสามชั่วโมงเหมือนกันนะแต่สามชั่วโมงของคนนี้ เพลินต่อลดอร่อยของสมาธิอีกคนหนึ่งสามชั่วโมงเท่ากันแต่เฝ้าเห็นการเกิดดับของกันั่งาตลอดนั้นเอาความนานหรือความทําบ่อยมาเป็นเครื่องวัดการติดไม่ได้ต้องดูการทําในใจของเขาว่าเขาเนี่ยเพลินต่อลดอร่อยของสมาธิไหมยอย่างนี้เข้าใจไหมอ่ามุมมันเป็นอย่างนี้พยายามบอกให้ทุกแง่นะ <laughs> ในระหว่างการทำสมาธิเจ้าคะ่ะจะมี อยอมดูลมหายใจ อ, อแล้วจะมีช่วงหนึ่งที่มันจะหยุดออือออพอมันหยุดปุ๊บเนี่ยจะตกใจค่ะออือตรงเนี้เราจะแก้ยังไงให้มันหลุดจากตรงนี้ไปให้ได้คะอ๋ อ, อ, อทําบ่อยๆทําบ่อยๆปั๊บก็จะจะเคยชิน <c oughs> ผู้เจ้าจึงบอกว่าต้องฉลาดในการเข้าฉลาดในการออกจากสมาธิฉลาดในการดํารงอยู่ น, นั้นเราต้องทําบ่อยผู้เจ้าจึงบอกสมาธิเนี่ยทําให้มากจเจริญให้มาก ผู้ใดทำมากเจริญมากซึ่งสมาธิแล้วทําทั้งหลายย่อมปรากฏนั่นคือเราจะเห็นการเกิดการดับว่าสมาธิก็ไม่เที่ยงพระเจ้าไม่เคยเอาสมาธิมาเป็นเครื่องวัดอริยบุคคลนะมันเป็นตัวช่วยให้เรารู้ธรรมะจะไม่ทําก็ไม่ได้ติดก็ไม่ได้ น, นั่นันมเป็นเรื่องที่พูดพูดยากพูดละเอียดต้องต้องลําบากในการใช้คําพูดเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องใช้บทพันธนะของพระศาสดา นะเพื่อไม่ให้คนเนี่ยเข้าใจผิดต่อสมาธนะิตัวสมาธิเองก็เสื่อมนะและสมาธิพระศาสดาไม่เคยใช้เอามาเป็นเครื่องวัดอริยบุคคลยมได้สมาธิขั้นใดก็ตามยังไม่ใช่อริยบุคคลสักขั้นหนึ่งนะต้องกลับมาที่การละสังโยชน์เช่นกลับมาที่ว่าศินห้าบริบูรณ์ไหมวันไหวในพระรัตนตรัยหรือเปล่านี่คืออริยบุคคลขั้นตน้นโสดาบัน นะศีลห้าบริบูรณ์มั่นคงในพระรัตนะตรัยเราจะไม่เชื่อคําสอนคนอื่นนะเป็นอย่างนี้พระอาจารย์ครับเสียงค่ะ ข, ขอเรียนถามพระอาจารย์นะนะคะคือเ อ, อสงสัยนะคะเวลาที่เราทําสมาธิหรือวิปัสสนาเนี่ยนะคะแล้ว คือเราแผ่เมตตาเนี่ยอยากทราบว่าเราสามารถจะแผ่เมตตาได้ในขณะที่เรานั่งสมาธิวิปัสนาหรือว่าเมื่อออกจากสมาธิวิปัสนาแล้วหรือถึ ง, ถ ง, ถงค่อยแผ่เมตตาคะแผ่เมตตาพระเจ้าตรัสอย่างนี้ให้โยมทําในขณะที่จิตปราศจากอากุศลหรือนิวรหะตรัดไว้กับวาเสตเถะบอกวาเสตเถะเมื่อจิตของเธอปราศจากนิวรห5นะถ้าในอีกพ ร, รหนึ่ง น, ะนิวรหะเนี่ยพระเจ้าจะโยงไปมันคืออกุศล3อย่างคือกรารปฏิบัติเบียดเบียน อันเดียวกันเมื่อจิตเธอปราศจากนิวรณหแล้วให้เธอทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่ 1, 2, 3, ่สาแผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางนะยังไม่มีประมาณนะพระองค์เปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้ง4ี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดนะในลักษณะของเมตตาเจโตวิมุตติก็เหมือนกันอย่างนี้ก็คือพื้นฐานคือโยม ไม่มีอกุศลแล้วในจิตก็สามารถแผ่เมตตาได้แล้วนั้นถ้าเราอยู่ในสมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งก็ตามตรงนั้นเหมาะแล้วในการที่จะแผ่เมตตาพระอาจารย์ครับอย่างกรณีที่พูดถึงว่าสมาธินี่นะครับาาก็คือจะต้องนั่งตามรูปแบบหรือนะครับหรือถ้า<ม>เกิดว่าเราเราจเจริญสติในชีวิตประจำวันนะครับคือระลึกรู้อยู่ตลอดเวลา ว่าเออตอนนี้หน้าลมกำลังสัมผัสกายะสัมผัสนะนกกำลังส่งเสียงร้องอะไรเราก็รับรู้ตลอดเวลาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำสมาธิในเป็ น, <ใ>นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยในตัวแล้วเดินจงกรมก็เป็นสมาธิได้ยืนเดินนั่งนอนพระศาสดาบอกว่าข้าวชานหนึ่งสองสามสี่ได้หมดทุกฤิยบททำได้นะ เนี่ยแต่มาถึงอยากให้โยมศึกษาพุทธวจะนะกันมันจบมันขาดมันชัดเจนใช่ไหมคำาศาสดาเนี่ยนะแล้วยอมจะหมดความสงสัยไปเลยนะใครพูดไม่ตรงพระศาสดาก็ก็ปล่อยเราเอาพระศาสดาองค์เดียวนะอ่าเสร็จอ่า ในการตักบาตรแต่ละวันจําเป็นต้องกรวดน้ำไม้ใช้แผ่เมตตาอย่างเดียวได้ไหมกรวดน้ําไม่มีในพุทธวจนะเพราะนั้นก็ตัดประเด็นไปได้น ะ, ะาการแผ่เมตตาการอุทิศบุญกุศลจะทําเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่ต้องทําเมื่อตอนใส่บาตรโยมนั่งสมาธิหรือรักษาศีลแล้วโยมอยากจะแผ่เมตตาเมื่อไหร่ก็ได้โยมยืนเดินนั่งนอนอยู่จิตละจากอากุศลก็พร้อมที่จะแผ่เมตตาได้แล้ว การอุทิศบุญกุศลผู้เจ้าก็สอนไว้ในเรื่องของทิฏหกที่บุตรเนี่ยควรทําต่อบิดามารดาผู้เจ้าบอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเราใช้เจตนาในการอุทิศบุญกุศลตั้งเจตนาแค่นั้นเองก็สําเร็จประโยชน์แล้วไม่ต้องไปวิ่งเตรียมน้ําเตียมแก้วเตรียมจิตตัวเองเตรียมจิตให้ปราศจากอกุศลนั่นแหละเป็นจิตที่พร้อมแล้วนะฮะ นะะอืฮได้แผ่เมตตาได้ทั้งหมดนะ ท, <c oughs> ที่ผู้เจ้ามีไว้ก็คือการอุทิศบุญก็คือเจาะจงกับแบบญาติของเราอย่างนี้ <c oughs> แต่แผ่เมตตาที่ผู้เจ้าตัดไว้เนี่ยจะลักษณะอย่างไม่มีประมาณ จิตของเราเฉยๆคือไม่มีคว่าเกว่าไม่เหรือ ว, าวา่าว่างเปล่าอ่าฮะาิตองก็อ่ามันมีสองแบบนะทําบุญไปแล้วเฉยๆว่างเปล่าเนี่ยหนึ่งพวกแบบไม่รู้อะไรเลยนะคือพวกที่ไม่เห็นผลนะไม่เห็นผลของกรรมไม่เชื่อกรรมก็ทำสักต่ว่าทำไปอย่างนั้นกัอีกพวกหนึ่งก็คือ รู้แล้วนะรู้ว่าผลของกรรมมีนะรู้จักปิติรู้จักสุขแต่ปล่อยวางปล่อยวางได้เร็วนะรู้ว่าอ๋อทำบุญแล้วใช่สุขเกิดปิติเกิดนะแต่ก็ปล่อยวางอย่างนี้ก็จะได้นสิสงที่มากกว่ามากขึ้นก็คือเอ่อมี ม, มีมีปัญญามากขึ้นก็จะเริ่มปล่อยวางทำบุญก็ก็ทำไปเพื่อยังประโยชน์เฉยๆอย่างนี้ก็จะเป็นการ เป็นมุมของระดับผู้มีสมาธิฐิเบื้องปลายคือกําลังจะตายเป็นอริยบุคคลขึ้นไปแล้วถ้าสมาธิถิเบื้องต้นเนี่ยการทําบุญอะไรเนี่ยก็จะหวังหวังผลอย่างนึงแล้วก็จะมันผู้เจ้าบอกมันจะเนื่องด้วยอุปธิเนื่องด้วยของหนักนะยังเกี่ยวกับบุญกับบาปอยู่พอบุญหมดก็เสียใจบาปมาก็ทุกข์ใจอย่างเนี้ยแต่ถ้า กำลังจะตายมาสัมมาทิฏฐิเบื้องปลายก็จะเริ่มปล่อยวางพวกนี้นะก็ทําเพื่อทําเพื่อยังประโยชน์เฉยๆนั้นอะไรบุคคลก็จะทําเพื่อทําแกนั้นอย่างนี้อจาจารย์คะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าการทําบุญลบล้างบาปได้จริงไหมคะกรณี<อ>ที่ทําบาปอ่าอย่างหนึ่งแล้วก็ใน <c oughs> ชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็สํำนึกกันนะคะว่าเราว่าเขาทําบาปแต่ว่าเขาก็ได้พยายามที่จะทําบุญเข้ามา<อ>ในชีวิตเนี่ย ตรงนี้มันผ่อนคลายได้ไหมค ะ, ะบุญเนี่ย ล, ล้างบาปไม่ได้แต่มันมีมันมีการกระทําที่ล้างบาปได้นะก็คือผู้เจ้าบอกกรรมดํามีวิบากดํามีกรรมขาวมีวิบากขาวมีกรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบาก ท, ทั้งดําทั้งขาวมีและมันมีกรรมอยู่อย่างนึงมันอยู่ตรงกลางเรียกว่ากรรมไม่ดําไม่ขาวมีวิบากไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมคือมักมีองศา มัคเม8ดคือตัวมัชิมาปฏิปาทาทํากรรมตรงนี้แล้วเนี่ยทั้งกรรมดำกรรมขาวเนี่ยจะสิ้นไปเราเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวก้อนกรรมเลยเราอยู่เราหนีจากระบบของกรรมไม่ได้เพราะเราเนี่ยเป็นตัวระบบมันเลยใช่ไหมนั้นเราก็ต้องรับกรรมไปนั้นวิธีจะออกจากระบบนี้ก็คือถอนความยึดมั่นจากระบบของกรรมออกมากรรมเนี่ยคือตัวสี่ธาตุ เมื่อกี้โยมได้ยินเรื่องพบเปรียบเหมือนผืนนาใช่ไหมในอุปมาเดียวกันพระศาสดาบอกว่ากรรมเปรียบเหมือนผืนนาเหมือนกันเห็นนะผู้เจ้าเริ่มเชื่อมธรรมะละโยมจะเริ่มเข้าใจผู้เจ้าบอกว่ากรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเห็นไหมอุปมาเดียวกันเห็นนะวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชแต่ผืนนาเปลี่ยนเป็นกรรมละเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาแล้วงอกขึ้นด้วยอย่างในพืช นั่นคือทาญาทและเผ่าพันธุ์ที่มันเก็บมาจากเมล็ดเป็นมาจากเมล็ดล้ใช่ไหมอ่าเผ่าพันธุ์ของมันและได้จากเนื้อนานะเพราะฉะนั้นต้นพืชเนี่ยโตขึ้นมาจากเมล็ดมันอย่างหนึ่งจากอาหารในเนื้อนาอย่างหนึ่งซึ่งเนื้อนาพระเจ้าจัดอีกพระสูตรหนึ่งจะแบ่งเป็นสระดับเนื้อนาที่เลวนะเนื้อนาปานกลางเนื้อนาปราณีตนะเนื้อนาที่เลวก็คือพวกกรรมธาตุ ดินน้ำไฟลมปลาณนี้ขึ้นมาระดับกลางก็คือรูปธปาตุนะละเอียดที่สุดก็คืออรูปธาตุนะหรือจะเรียกอย่างว่าเป็นก ร, รมภพรูปภพอรูปภพอย่างนีนะ้เพราะนั้นเราเนี่ยเป็นตัวก้อนกรรมนะก็คือส่วนของรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่คือกรรมตัวที่ตั้งอาศัยนะ คือผืนนาเนี่ยอีกพระ ส, สูตรหนึ่งผู้เจ้าบอกว่าที่ตั้งอาศัยของวิญญาณคือสี่ธาตุที่ตั้งอาศัยของมเมล็ดพืชคือผืนนาผืนนาคือกรรมกรรมก็คือสี่ธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่โยงพระ ส, สูตรอย่างนี้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการ <c oughs> การอธิบายระบบของธรรมชาติเนี่ยบางทีมันไม่สามารถอธิบายด้วยพระสูตรเดียวผู้เจ้าจะเชื่อมพหูพูดไว้เชื่อมไว้เชื่อมไว้อุปมาผู้เจ้าก็ไปเปลี่ยนไม่ได้เพราะอุปมาของผู้เจ้ามันจะลิงก์เชื่อมกันหมดอย่างนี้ นั้นคำผู้เจ้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยนะจึงบอกว่าผู้เจ้าจึงบอกว่ายาเติมอยาตัดคําของท่านน ะ, ะเธอจะไม่สามารถเปิดคำที่ถูกปิดไว้ได้มันจะงงนะอย่างนี้นั้นเราจะรู้แล้วว่ากรรมก็คือสี่ธาตุสีขันรูปเวทนาสัญญาสังขารเห็นนะส่วนวิญญาณก็คือเมล็ดพืชที่เข้าไปรู้ในสี่ธาตุนะนั้นตัวเราเนี่ยคือขันท่า เราก็คือระบบของกรรมเลยทั้งระบบเลยนั่นเราหนีจากมันไม่ได้พผู้เจ้าจึงบอกกายนี้เป็นกรรมเก่านะนั้นวิธีที่จะออกจากระบบของกรรมคือถอนความยึดมั่นจากขนันธ์ห้ได้ว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เราถึงจะออกได้วิธีในการถอนคือกรรมไม่ดำไม่ขาวมักมีองค์แปดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดก็โล่หมดเพราะเราเดินออกจากระบบของมันมาเข้าสู่อสังขตะ คือวิมุตต์หรือนิพพานนั้นระบบใหญ่ๆมันจะมีแค่2ระบบคือวิมุตต์กับสมมุติสมมุติเนี่ยก็คือขันห้าโภมโลกทเทวลโลกมนุษย์โลกนรกกัเดเดชานเปรตวิสัยเมื่อเราก้าวออกจากสังสารวัฏเท่ากับกรรมไม่มีเราก็ไม่ต้องรับกรรมไอ้พวกที่เราเคยสร้างเวรสร้างกรรมกันมามันก็หาตัวเราไม่เจอเพราะเราหายจากระบบนี้ไปแล้วมาอยู่อีกระบบหนึ่ง ไดไหมอ่าอ่อ า, า <IN C> อ่าฮเนี่ยพระสูตรนิยมพวกนี้เนี่ยนยมต้องเอากลับไปไข้ควรวนอีกทีหนึ่งปั๊บมันจะแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะใช่ <IN C> ต้องพยายามทําความเข้าใจอ่อาฮะอ่าที่ว่าแมบ อ่านปุ๊บเข้าใจได้เลยอย่างเนี้ยต้องคข่ควรคข้ควรตั้งใจไใขรร้รู้ผู้เจ้าจึงบอกเวลาฟังธรรมะแล้วเนี่ยต้องตั้งใจใค ร, ร่รู้นะตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงนะต้องสําคัญว่ามันเป็นสิ่งที่ควรศึกษานะอ่านั้นไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกนะฟังเผยเผย เ, เนี่ยมันไม่ใช่พอกเล็ดปุ๊กไงอ่านแล้วเข้าใจเลยแต่มันเป็นเนื้อธรรมะที่เป็นสัจจะความจริงที่สัพพัญยูเนี่ยบัญญัตินิรุตติคือภาษาออกมา เพื่อให้เราเข้าใจหลักของธรรมชาติทั้งหมดนั้นนี้รุติภาษาเนี่ยที่ศาสดาบัญญัติผู้เจ้าจึงบอกห้ามเปลี่ยนไงจากแผ่นภาพเจ้าค่ะหน้าสุดท้ายข้อสิบที่บอกว่าใครก็ตามจกต้องมีตนเป็นราที่มีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะคำว่าตนนี้คือคืออะไรอะคะก็คือตัวเรานี่แหละ แต่ว่าเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าให้ถอนความยึดมั่นออกจากขัดมากเราไม่ขัดกันเหรอคะไม่ขัดเพราะว่าอาศัยตนเพื่อรู้จักตนนะเรากำลังหลงอยู่เนี่ยเราอาศัยความหลงนี่แหละนะเพราะนั้นพระเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดในการใช้กิเลสมาเพื่อลักกิเลสนะสติและปัญญาเนี่ยเป็นกิเลสไหมจริงๆเป็นกิเลสนะนะแต่เราฝึกกันแทบตายมาฝึกกิเลสเพื่อชาระกิเลสอีกแบบหนึ่งให้มันหมด นะอ่าเพราะนั้นพอฝึกสติปัญญาปุ๊บมันจะมาอยู่เฉียดเฉียดวิมุตต์ละอ่ามันจะทําให้เราหนีจากอกุศลอะไรต่างๆเนี่ยออกมาออกมาออกมาเริ่มไกล้วิมุตต์ละปุ๊บเนี่ยพินายทีว่าสติปัญญาก็เกิดดับไม่เที่ยงปล่อยปุ๊บเข้าวิมุตต์ได้นะอืก็เลยต้องอาศัยตนเพื่อให้รู้จักตนอืมพึ่งตนและพึ่งธรรมะอืพระเจ้าจะอุปมาเปรียบเหมือนเท้าล้างเท้า เท้าเนี่ยเปื้อนแล้วเท้าถูขึ้นไปถูขึ้นมาเท้าก็สะอาดได้นะเอากิเลสชำระกิเลสด้วยกันเองอ่าฮะเช่นการดูจิตในชีวิตประจำวันอ่าฮะอ่าฮะเราก็เฝ้าดูความรู้สึกตัวไปสมมติวันเราขับรถอยู่เราก็ สายายายทำไปอฮะหรือว่าผมอยากเรียนถามว่าถ้าโอกาสนั่งเรนะือแล้วก็สาธยายทำไปนะครั uh huh. ถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยในช่วงเกิดอุบัติเหตุเนีะครับ uh huh. จะเหลือช่วงเวลานิดเดียวคือตอนนั้นก็คงจิตก็คงกระเจิงไปนะครับอ uh huh. เรียนถามพระอาจารย์ในช่วงที่ขณะจมน้ําเำจมน้ำทนะี uh ่ huh. มไม่มีทางรอดแล้วเนี่ย uh huh. ถามว่าเราถอดเอาจิตเนี่ยมาดูกายอย่างเดียวหรือว่าเอาจิตมาไว้เฉยๆโดยที่ไม่ต้องดูอะไรเพราะขณะนั้นจะอยู่ในในสังขารทั้งหลายเนี่ยนะ อแต่เมื่อขณะจมน้ําเนี่ยคงไม่ทราบแล้วว่าจิตอยู่ในสังขารองไหนขอให้มีอารมณ์อันเดียวแค่นั้นจะอยู่กับอุเบกขาหรืออยู่กับกายก็ได้รู้นิ่งแล้วก็รู้ว่าผู้รู้เนี่ยที่รู้ตรงเนี้ยก็ไม่ใช่เรากายก็ไม่ใช่เราคือต้องปล่อยวางหมดนะถ้าโยมสามารถพิจารณาในขณะนั้นได้คือโยมหลุดพ้นได้คือไม่มีช่วงนัดด้นะนะพิจิตระพ่ายจังตอนนั้นใช่<ะ>ใช่<ๆ>จิตเร็วที่สุดจิตเร็วกว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมันแค่ช่วขนาดจิตเดียว ด้านกายภาพเนี่ยมันมันหยาบมันไม่ทันหรอกนะจิตจะรู้ตัวก่อนแม้จะเครื่องบินระเบิดตู้มตายจิตจะรู้ตัวก่อนจิตจะเร็วที่สุดนะและถ้าเราดึงจิตกลับมาอยู่ความสงบได้ก็เอาถั่วรอดได้คือมีถอดจิตออกสังออกสังขารเลยนะฮะถอดจิตออกจากสังขารมาอยู่จิตเฉยเอ่าไม่ <c oughs> ไม่ได้ถอดอะไรเพียงแต่อยู่กับความสงบสํารวมอินทรีย์สังวรนะสํารวมใจอยู่ความนิ่ง อยู่กับความว่างๆนะเฉยๆนะและถ้าคนนั้นสมมุติว่าเขาปฏิบัติธรรมาได้มากแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าผู้ที่นิ่งๆเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเราของเราอีกพิาณาในขณะนั้นแล้วก็ปล่อยวางก็จะหลุดพ้นได้เลยนั่นลักษณะแยกแยกจิตออกจากกายเลยใช่ใช่ปล่อยวางเลยขันท่าไม่เอาไม่ต้องการไม่อยากได้อีกแล้ว <นะ S 1> ขอบคุณนะ การบรรลุธรรมขณะตายจะเกิดไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันนี่เป็น อ, อีกขั้นตอนหนึ่งถึงแม้เขาจะไม่ได้บรรลุธรรมในช่วงระหว่างชีวิตแต่ขณะตายถ้าเขาละลึกได้นะหรือได้ยินฟังได้ยินได้ฟังคำสศาสดาหรือละลึกได้เองเขาจะบรรลุธรรมได้ขณะที่จะตายกาลังจะตายนะ <c oughs> <c oughs> กดกดแช่ให้ไฟขึ้นได้ ใช่มอ่าฮะอ๋อาการทำบุญกับพระเราไม่รู้ว่าพระทุศิลหรือเปล่าอ่าฮะอ่าฮะ <c oughs> เราได้แต่อันนี้สงก็ลดลงไปตามลำดับได้ในส่วนในส่วนของเรา ก็จะเหมือนกับเราทำทำกับสัตว์เราก็ได้แต่เราก็ได้น้อยทํากับคนทั่วไปก็ได้น้อยพระพุทรเจ้าให้ฐานเงินถานทองกับคนเป็นร้อยเป็นพันพรงนึกว่าพระองค์ได้มาหาฐานชั้นเลยแต่พอตอนหลังพระองค์มาพิจารว่าไม่มีทักษะเนื้อยบุคคลมาเป็นผู้รับทานเลยอันนี้สงฆ์ยังสู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้ก็มันก็ตามเหตุปัจจัยนั้นพระเจ้าจึงให้พิจารณาให้ดีก่อน นะจึงเปรียบเหมือนข้าบดีมีข้าวอยู่เนี่ยจะหวานลงในนาดีนาปันกลางหรือนาเลวนะข้าบดีหว่านพืชก็ต้องการหวังผลก็จะหวานในนาดนะีก็หลักการเดียวกันการเลือกจึงไม่ได้ผิดผู้เจ้าให้ใช้ปัญญาพิจารณาก่อนแต่นี้เราจะเลือกเราก็ต้องเราก็ต้องมีความรู้ในธรรมวินัยพระศาสดานะผู้เจ้าบอกสัตตบุตรย่อมเห็นสัตบุตรได้วยกันนะอนสัตตบุตรก็เห็นอนสัตบุตรได้วยกันเหมือนกัน เราเนี่ยจะประเมินได้ในระดับของสัตบุรุษโดยปกติผู้เจ้าจะไม่ให้ประเมินบุคคลแต่จะมีพระสูตรที่พระเจ้าบอกสัตบุรุษเนี่ยย่อมเห็นสัตบุรุษประเมินได้นิดหนึ่งนะระดับหนึ่งนะอื ม, มเป็นหนึ่อ ง, อ, ง, อ, งอืมอืมอ่าฮะวนไปเนี่ยอ่าฮะมันก็จะเป็นนานนิสงแต่ถ้าเรารู้ว่าพระไมเดีเนี่ยเราเข้ากับสนับสนุนคนผิดอ๋อ ใช่อันนั้นก็อันนั้นก็คือผลกระทบสมมติว่าถ้ารู้แล้วทำไปก็จะเป็นเดชให้อายุพระศาสนาสั้นลงจะมีผลกระทบที่เพิ่มเติมมาด้วยนอกจากหนึ่งเราได้อ น, นิสงส์น้อยสองอายุศาสนาจะสั้นลงพู้เจ้าจะอุปมาเปรียบเหมือนนาข้าวหรือไรอ้อยที่มีเพลี้ยมีนอนลงมันจะไม่เจริญงอกงามก็เหมือนกับไปทาไปสนับสนุนโจรโจรก็จะเข้มแข็งขึ้นก็หลักการเดียวกันอย่างนี้ ไม่จะเรียกว่าบาปหรือเปล่าก็คือมันมีผลกระทบแต่หลักของผู้เจ้าเนี่ยผู้เจ้าบอกใครให้ทานอย่าไปห้ามผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าไม่ใชิตรเพราะนั้นผู้เจ้าจะไม่ห้ามแต่จะบอกอ น, นิสงส์เอาไว้ว่าอันไหนมากอันไหนน้อยและจะบอกผลกระทบไว้ถ้าทำแล้วจะเกิดอะไรบ้างคนนั้นต้องใช้ปัญญาพิณาเองเนี่ยนี่น <c oughs> อก็เราเราปรับมุมอื่นได้โยมเพราะว่ากุศลเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากทานอย่างเดียวนะแล้วกุศลอันเกิดจากทานเนี่ยก็มีอ น, นิสงส์น้อยกว่ารักษาศินเป็นร้อยเท่ามีอนิสงส์น้อยกว่ารักษานั่งสมาธิเป็นแสนเท่าอย่างเนี้ยอ่านั้นถ้าโยมยังไม่สามารถหาเนื้อนาที่ดีได้โยมก็รักษาสินไป ทำสมาธิไปการรักษาศีลพระศาสดาบอกว่าเป็นมหาทานชั้นเลิศแล้วนี่วิธีแก้มันมีหมดใช่ไหมส่วนการไปไปพบเนื้อนาที่ดีเนี่ยผู้เจ้าบอกแม้จะต้องเดินทางไกลถึงกับพกเอาห่อเสบียงไปด้วยก็ควรจะไป น, นี่อีกมุมหนึง่งนะ <c oughs> อืฮะ อก mm hmm. กาารศึษเดค uh huh. ู่คือทําส่วนนี้ไปแล้วอาจจะไม่ uh huh. ใช่กับพระสงฆ์หรือว่าอะไรน uh huh. ะบุคคลที่เราไม่รู้ uh huh. แต่เจตนาของเราคือเป็นประโยชน์แก่ส่วน uh huh. รวมอันนี้อันนี้สงฆ์มากน้อยแค่ไหนได้อยู่แล้วแต่ไม่เยอะมากอ่ะก็เหมือนกับผู้เจ้าเนะี่ยเป็นพราม์ชื่อเวลามะรวยมากเรียกคนมาเป็นร้อยเป็นพันแจกทานเงินฐานทองเอาเอาไปเอาไปนะท่านก็นึกว่าโอ้ท่านได้มาหาฐานชั้นเลยแต่ท่านบอกยังไม่ใช่ สู้ทำกับพระโสดาบันองค์เดียวยังไม่ได้นะแต่ผู้เจ้าห้ามไหมไม่ห้ามใครทําทําไปดีๆเกื้อกูลอนุเคราะห์หมดทํากับเด็กกําพร้าคนยากคนจนคนพิการไร่ดีหมดโยมทํากับสัตว์ยังได้เลยผู้เจ้าบอกแม้แต่เทเศษน้ำล้างหม้อลงในน้ําโสโครกด้วยหวังจะให้สัตว์เล็กๆได้กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญฉะนั้นเลยจะทํากับมนุษย์ด้วยกันทํากับมนุษย์ก็ได้มากทํากับสัตว์ก็ยังได้เลยนะนั้นผู้เจ้าเคยถูกโจทย์ว่า เนี่ยให้สอนคนให้ทำบุญกับสาวกของตัวเองเท่านั้นผู้เจ้าบอกไม่จริงนะใครกล่าวอย่างนั้นชื่อว่าเป็นการกล่าวตัวเราด้วยคำไม่จริงนะก็เลยพูดเรื่องนี้มาว่าขนาดเทเศษน้ำล้างหม้อลงในน้ำโสโครด้วยเห็นด้วยต้องการให้สัตว์เล็กๆได้กินเป็นอาหารก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญนะเนี่ยมุมเรื่องทานเยอะมากเชิญเนี่ยเออาออ อ่าได้ได้ไ ด, ได้เดี๋ยวจะสายมากนะเดี๋ยวถ้าใครไม่ติดอะไรก็หลังฉันนะค่อยสนทนาต่ออีกนิดหนึ่งวันนี้ได้ความรู้กันเยอะนะอ่าสวันดีอนุทนาทุกคนเนาะ